1. ถ้ารู้สภาวะด้วยความเป็นกลางจะเห็นไตร ล, ลักษณ์ได้ชัดเจนวงเล็บเปิด18พฤศจิกายน2549ในวงเล็บสองจุดจุดนาที47วงเล็บปิดถ้าใจไม่เป็นกลางนะให้รู้ทันเวลาที่เราเห็นสภาวะอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยไม่มีความหมายอะไรก็รู้ว่ามีสภาวะบางอย่างเกิดขึ้น แต่เมื่อสภาวะเกิดขึ้นแล้วจิตของเราไม่เป็นกลางยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทันพอรู้ทันใจก็จะเข้าไปสู่ความเป็นกลางคราวนี้พอเรารู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนะสภาวะก็จะแสดงไตรลักษณ์ได้ชัดเจนฉะนั้นจิตที่เป็นกลางในการรู้อารมณ์นี่เป็นตัวสําคัญท่านถึงสอนว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตเราไม่เป็นกลางไม่มีสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่เกิด กลายเป็นจ้องจ้องเมื่อไรมันจะไปเสียที